กุ่มารมเข้มที่มาทําวัดวันนี้ลองยกมือด้กี่คนยกมือปุ๊บหลายคนเอามือลงกลุ่มที่เป็นบวใหญ่ยกมือขึ้นด้วยบวใหญ่ปุ๊บเอามือลงที่มาจากภายนอกที่ปฏิบัติเองเงียบๆอยู่ในวัดนะยกมือขึ้นด้เป็นไงเนาะเป็นแัดเงียบๆไหมฮะหลับเงียบๆหรือว่าอยู่กับตัวเอง กินกินนอนนอนหรือวอะไรไม่ได้มองโลนในแง่ร้ายแต่กาลังเป็นห่วงอยู่ห่วงห่วงอะไรห่วงว่าการปฏิบัติมันจะสบายแบบเหมือนอยู่ข้างนอกอะแล้วก็ออกไปก็แก้ทุกข์ไม่ได้เหมือนเดิมแก้ทุกข์ไม่ได้แต่ถ้ามาเคลื่อนไหวรู้สึกหรือว่าพยายามจับหลักจับประเด็นให้ถูกนะศรัทธาไ ม, ม่มีมันจะมีขึ้นมาที่นี่อากาศสบายสถานที่สบายแล้วก็ ตัวปฏิบัติเขาสบ า, สบายแต่ถ้าหากจะประเด็นถูกนั่นแต่ต้นหมายถึงว่าเมื่อคืนองค์สมเด็จสระมาณเจ้าท่านบรรลุธรรมมานะแต่ท่านพูดถึงเรื่องทางเอกบนทา ง, ง, งเดียวสุกา ร, รู้แจ้งก็คือมหาติฐานสวดเมื่อกี้เราสวดกันนะนะเวลาพูดอย่างนี้อาจจะหาวก็ได้นะว่ามันไม่อร่อยหรอกพูดอย่างนี้ไม่นุฝั่งรจะดูวิชาการ ก็เามาวัดในรูปแบบของวัดไงนะที่บวชเนี่ยก็นักแบบนั ก, น, ก, น, กนักบวชละรูปแบบของพระไงในรูปแบบของเจ้าอยู่คราวนี้มันมีวิช า, าการชัดเจนมากๆเลยที่บวใหญ่พยายามฝึกอยู่วันนี้การเริ่มต้นให้เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงรวงาางนะูว่าตามนามธรรมก็คือเราเจริญสตินะเจริญสติที่เมื่อกี้เราสวดกัน รถที่เก็บอารมณ์เข้มเนีเราก็มาเจริญสติเข้ตอ่อ 40, เนื่องสี่วันนี่ยสติมันเจริญตามมีความต่อนเนื่องแล้วก็กความรู้สึกตัวเดี๋ยนะตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นศรัทธาเริ่มใสยอยู่ตรงไหนศรัทธาเรื่องอะไรนอกจากศรัทธาศาสนสถานวัดป่าสุกโตศาสนบุคคลอาจจะเป็นพระเจ้าหรือว่าเป็นหลวงปู่เทียนหรือหลวงพ่ออมเขียนเราจึางมาอยู่ตรงนี้กัน เพื่อนเขาบอกว่าดีดีโอวัดป่าตัวดีก็เลยมากันเนี่ยนะแล้วก็ศรัทธาเพื่อนนะแนละ้ศรัทธาบุคคลพอเราเริ่มต้นที่จะมาที่นี่ได้ยินได้ฟังเริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันที่นี่อัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์อัตตะก็คืออัตปานะเอกลักษณ์นะวัดป่าสัดวดบอกกันถึเงเรื่องเคลื่อนไหว14จังหวัดเนี่ยตัวนี้บอกกันแล้วก็ลองดู ไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตบัณฑิตไม่ได้เชื่อแต่ไม่ปฏิเสธหลายคนอาจจะไปวัดนั้นวัดนี้วัดโน้นมาทั่วแล้วลองมาสุกโตสักหน่อยถ้าทําอะไรกันแล้วทางอินเทอร์เน็ตแนี่มันเป็นสีสันแล้วก็มันเป็นภาพที่ดูแล้วชวนเชื่อดีแต่พอมาแล้วนะชื่อเท่าช้าง แต่ว่าตัวจริงอาจจะเท่ามดก็ได้กรนีไอ้จุดเล็กๆตัวนี้เราได้เห็นไหมว่าเขาทาอะไรกันนะว่าตาโศกโตนะจริงๆแล้วดั้งเดิมก็คือปฏิบัติธรรมแบบการเจริญสติเดี๋ยคนที่จะรู้ตรงนี้น้อยนะบอกเลยว่าน้อยทําไมถึงเรียกว่าน้อยก็เพหลวงพ่อท่านบอกว่าล้มเหลวมากในการสอนศาสนาท่านบอกเลยล้มเหลวสอนให้คนไม่โกรธเขาก็โกรธกันสอนให้คนไม่ให้ทุกข์ เขาก็ทุกกันพอให้คนฝึกสติเขาก็ไม่ได้สนใจเรืออ่แบบนี้กันเพราะฉะนั้นเราก็ได้เห็นอย่างเช่นคนที่มาอยู่ในสุปรตูส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นจากที่อื่นคนแถวนี้มีน้อ ย, อยมันเป็นอย่างนี้จริงๆก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีเพรงนั้นก็จึงมีลักษณะของการเชิญชวนมาปลูกป่าทำประโยชน์สร้างประโยชน์สร้างบุญทำบุ ญ, ท ำ, บญทำทาน วันสําคัญทางศาสนาเรียว่า บ, บุญสิบสองของสิบสี่นะแล้วก็ต่อยอดเมื่อมาแล้วบางคนก็สนทนาธรรมหลวงพ่อการเนี่ยเปลี่ยนจากโกรธเป็นไม่โกรดนะจะช่วยคู่ก็อย่าทะเลาะกันนะให้มีสตินะนเวลาเจอมรถก็เจิมคนขับด้วยต้องมีสตินะขับรถเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้นคือค่อยๆจูงเข้ามาจูงเข้ามาจูงเข้ามา จนกทังบางคนเนี่ยบอกว่าขาดบุญนะบางทีน้องก็บอกพี่เขาขาดบุญให้มาวัดป่าสุขโตเนี่ยพอประกาบหลวงพ่อมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกเออบุญสูงสุดเนี่ยมารู้สึกตัวนะมารู้สึกตัวพอได้ยินใบบัวเขาว่ า, ารู้สึกตัวรู้สึกตัวเงี้ยอู้รู้สึกตัวแล้วทํำไงละทีนี้นะรู้สึกตัวหนะลวงพ่อกันเนี้ยพลิกมือคว่อมพลิกมือหงายได้ไหมนี่หลวงพ่อไม่ได้สอนนะหลวงพ่อจะบอกงี้นะ อง ส, สมเด็จสมมาเจ้าท่านบอกเอาไว้ให้มีสติการคู้เหยียดเคลื่อนไหวไม่เคยสังเกตรครูบาอาจารย์ท่านท่านไปไหนนั้นนี่ยเนี่ยเนหลวงพ่อไม่ได้สอนนะพระเจ้าท่านบอกไว้เนี่ยพลิกคว่มพิกหงายนะคู้เหยียดเคลื่อนไหวอวัยะวะหลวงปู่เทียนท่านพาทําอย่างนี้ท่านก็บอกนะสิบสี่ช่ว่ า, บาแบบนี้ท่านก็ยกให้ดูไหนลองทําซิบางคนเข้าถึงตัวปฏิบัติท่านก็สอนการปฏิบัติ บางคนมีปัญหาเดือดเนื้อร่อนใจทัน่นก็พยายามใช้คําพูดบอกกันนะครับนี้เรามาที่นี่แล้วนะท่านก็พูดไว้สองทางเกินหนึ่งให้ปฏิบัติในรูปแบบมากๆในวันที่มีคนมาปฏิบัติมากๆท่านก็พูดอย่างนี้แหละสองท่านพูดว่าเออทำดีทําอะไรก็ทําไปดีทั้งนั้นนะใครทำอะไรนั้นบอกว่าดีดีดีเออเ อ, อ, เ อ, อดีเรืนะ่องทีท่านก็นิ่งมาเดีบอกว่าดีหรือไม่ดีเราก็ใจเองว่าดี เราก็ทำไปแล้วก็รับผิดชอบต่อไปเมื่อจึงเป็นเรื่อง้าที่ว่าชวนกันถ้าเป็นในสายงานเนี่ยก็จะชวนกันปฏิบัติเต็มที่เลยเช่นวัดสมประนัดนี่ไปก็เรียกว่าเข้มข้นเลยทีเดียวบางวัดก็ถามว่ามากี่วันเจ็ดวันเออกลับไปเลยเจ็ดวันนะกลับไปมาเดือนนึงเออกลับไปเลยถ้าอ ย, อยู่ที่นี่ต้องเจ็ดปีเสร็จแล้วเข้าห้องขังกุญแจเลยโยมเก็บอารมณ์ เปีอยู่งั้นนะมันมีนะคุณก็ต้องสู้กับลงข้างในแล้วเหมือนคนติดคุกนะคนที่ติดคุกติดคุกก็ขังอันนี้ก็คือให้มันใข้ควรทบทวนในสิ่งตัวเองได้ทําจนเกิดจิตสํานึกนะอยู่คนเดียวความคิดมาเล่นงานมันจะมีลักษณะของคุกมืดคุกประเภทขังแล้วขังเรือมาเลยนะีให้มันทบทวนทําอะไรไว้อย่างนี้นะครนี้เรามาพยทํามนี้นเป็นคุกคนดี ยิงมาอยู่ในรูปแบบทางเดินจงกรมมาเก็บอารมณ์อกิจเนะีเป็นคุกคนดีมาได้ทบทวนไข่ครวนแล้วก็เห็นอาการต่างๆที่เร า, าบุญที่เร า, าบาปนะตรงนี้เนี่ยตัวเนี้ยองค์แห่งความเพียรก็ต้องขยันเคลื่อนไหวเราไม่ได้ขยันพูดขยันคุยขยันมองออกไปนอกตัวแต่เราขยันที่จะกลับมาหาตัวอย่างเนี้ยเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นกายเคลื่อนไหวก็กลายเป็นพลังชีวิตไงกายนิ่ง ากายถ้าหากมันนิ่งเนี่ยอ่อนแอยังไงก่อนแอคนที่เคลื่อนไหวมากมคนที่ป่วยใกล้าตายนะเป็นมะเร็งน่ยนะบางคนไหนไหนก็จะตายแล้วขอเดินค่อยๆเคลื่อนไหวขยับข ย, ยันเคลื่อนไหวยัทั้งวิ่งได้จัทั้งเป็นแชมป์เลยนะที่โคลาชจังทั้งหมองงเลยมะเร็งมันหายไปไหนนะยังทั้งรายการทีวีเอาไปออกอะไรดงัดงๆกันมากมายพลังชีวิตเนี่ยต้องเคลื่อนไหว ป่วยเนี่ยมันเลื้อกนิ่งแก่ยิ่งแก่ก็ยังเลือกนิ่งเคลื่อนไหวก็เรื่องช้านไปแบบค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆนั่งค่อยๆลุกอย่เงี้ยทีนี้คนที่ยังเคลื่อนไหวได้ปกติธรรมชาติแสดงว่าแข็งแรงดีไปไหนมาไหนกล้องตัวแข็งแรงดีขยันทํางานทําการทําดีนเออคนแข็งแรงดีจิตใจก็มีบุญแข็งแรงมีความดีแข็งแรง คิดดีพูดดีทดําดีนี่นะคราว น, นี้จิตของเราถ้าเคลื่อนไหวมากมาคือจิตที่อ่อนแอจิตที่มันคิดนั่นคิดนี่คิดนู่นเคลื่อนไหวก็ไปนอกตัวมานะอ่อนแอจิตนี้จะต้องนิ่งเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวแล้วจิตมันนิ่งมันหยุดรู้อยู่มารู้กายเห็นธรรมชาติของกา ย, ยต้องเคลื่อนต้องไหวถ้านั่งท่าเดินท่ายืยนท่านอนมีสติอยู่มันก็จะนุ่มนวนอ่อนโยน แล้วก็แม่นยำนะเตือนแต่ละทีทํางานแต่ละอย่างนะผิดพลาดน้อยนะจิตใจของเราก็เหมือนกันนะพอมันมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวจิตทํางานเรียกว่ากรรมฐานจิตนี่ต้องมีงานทำนะถ้าจิตไม่มีงานทำมัญหาเรื่องทุกเล่นนะคิดให้ทุกนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องน้อนอดีตนะก็เลนะี่วฟุ้งซ่านคุมดีคุมลายฟูฟูฟฟแฝดแฝดอันนี้จิตอ่อนแอป่วยจิตป่วย จะทังโรงพยาบาลเรวโรคจิตโรคจิตนั่นแหละโรคจิตโรคใจแต่ว่าโรงพยาบาลเขารักษาทางด้านศาสตร์ทางตะวันตกกินยารักษาระบบสาระกินยาให้มันหลับแนละ้วกินยากล่อมประสาทคลายเครียดดวยนะั่นเป็นฤทธิ์ผลข้างเคียงที่มันจะมีผลกระทบต่อคนไข่อีกต่อไปยาวๆอันนี้นเป็นวิธีการทางตะวันออกเรี่จิตตาภาวนามใช่จิตตาวิทยาจิตตาภาวนา พัฒนาจิตโดยการมีสติเมื่อกี้ที่เราสวดกันนะั่นรู้ไปในกายเวลาในจิตในธรรมในกายกับวัตถุรูปธรรมกายมีอาการสุกสุขทุกทุกของมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิเวเดี๋ยวก็หายปวดปัสสาวะอุจจาระวกนั้นทุกของมันกับริบตาหายใจเคลื่อนไหวตลอดเนี่ยทุกของมันถ้าเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเราจะรู้อ๋อการเคลื่อนการไหวเนื่อนบังไว้ตลอดเลยทุกนะลองนั่งนิ่งนิ่ ง, งพักๆเดี๋ยวแสดงออกมาทันทีเลย เลือเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยเคลื่อนมือนะเดี๋ยวปวดขาปวดแข้งปวดเอวปวดไหล่สารพัดทิมจะแสดงออกมาเป็นความทุกข์ปกติใจเคยโอยอ่อนแอป่ อ, อบางตอนนี้มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีความรู้สไม่เป็นไรขึ้นมนาะในใจอนะมันแยกกันท้ายสุดก็คือปวดแต่ใจไม่ปวดมันเกิดปัญญาขึ้นมาใจิตใจของเราปวดกายแต่ใจไม่ปวดแล้วก็มีปัญญาด้วยนะสามารถเกี่ยวข้อง กับกายได้อย่างถูกต้องตามอาการต่างๆที่มปรากฏเรียกว่าแก้ทุกข์กันนะแก้ผ่อนกายบรรเทาแก้ไขวกนนะเราก็เกี่ยวข้องกับมันด้วยมีสติมีปัญญาถูกต้องสติปัญญาพาธรรมปกติโอ้ยนั่งก็โอยลุกก็โอยนะเข็ดไปเลยปฏิบัติธรรมนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเออยิ่งเจ็บปวดยิ่งฉลาดยิ่งมีอาการต่างๆาแสดงออกยิ่งตื่นตาตื่นใจ มันทุกขกายนี่ไปอยากหิวก็มีสติรับประทานอาหารแต่เวลานี้ถ้าใครหิวไม่ได้รับประทานอาหารมันก็ทุกข์อย่างนี้นสแสดงว่าไม่เคยจัดระเบียบ ว, วินัยของกาย <c oughs> นะชาวพุทธนี่จะต้องฉันข้าวตอนเช้ามันเป็นตัวปัญญานะมันไม่ใช่ลึกลับนะไม่ใช่เป็นเรื่องของแหมเก่งไม่กินข้าวได้ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าการรับประทานอาหารตอนเช้ามันทำให้พลังงานได้ถูกใช้ไป การที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเอาดีเข้ามาเนื้อสัตว์เข้ามาเอาชีวิตเข้าเข้ามาถ้าเราไม่ทํางานป่วยทั้งนั้นเลยเป็นเจ้ากรรมในเวรทันทีร่างกายของเรายัางเป็นเจ้ากรรมในเวรตัวเองนะแต่พัฒนจิตวิญญาณไม่ดีร่างกายสุขภาพก็ไม่ดีเหมือนกันไม่มีปัญญาสุขภาพกลายเป็นสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยแต่โรคบางโรคเป็นกรรมจริงๆบางโรคมันต้องใช้กรรมไปให้มันผ่านด้วยตัวปัญญาไป คือมองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งน้นที่เป็นอาการต่างๆเป็นทุกข์ของกายเป็นสวัสดิธรรมก็อยู่กันแบบยอมรับไปเลยอย่างโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคที่มันรักษาไม่หายทั้งหลายทั้งปวงเน่ยมันมีกรรมฐานจริงๆจะรู้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของกายแล้วแหละก็อยู่ด้วยกันอยู่กันไปวันๆหนึ่งตายจากกันอะไรฆ่าก็ตายเองก็ต้องตายด้วยเหือกันในโลกนะไปพร้อมๆกันไปเลยกอดคอกันไปอย่างนี้ มันจะเกิดการหึ่เขือมาอาฐานขึ้นมาแล้วก็ไม่ ไ, มได้วันไหวอะไรแต่ว่าบางทีมีหมอมีวิญญาณแล้วมีผู้รู้เข้ามาเกี่ยวกับก็่าวนาไปทีหนึงบุญบุญคนก็อยากทำบุญบุญเกิดในใจเขาก่อศรัทธาเดี๋ยวว่าหลังจะได้บอกเขาเรื่องเจริญสติปัฏฐานหรือเรื่องมรรคนิพพานต่อไปก็จะชี้กัน การนี้เรื่องของจิตใจทุกทในจิตใจเลยทุกครั้งที่มันคิดเน่ะทุกครั้งที่มันว่าไหวกับอารมณ์อ่ะรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็กวูบแล้วก็อินเข้าไปหลงเผลอลืมเนื้อลืมตัวดูหนังลูกคนเป็นนางเอกพระเอกทุกเรื่องเนยนะแสดงว่าเผลอแล้วดูหนังทุกเรื่องหววัวละล้องให้แสดงว่าเผลอแล้วันไบเห็นเขกรอดแล้วก็กดด้วยแสดงว่าเผลอแล้วนะมันหลงไปแล้วเห็นเขามีความสุขสนุกเข้าไปด้วยแสดงว่าเผลอแล้วหลง คนละเรื่องกันเลยถ้ามีสติเราเห็นนะเออความเป็นปกติมันมีอยู่ทุกครั้งที่รู้สึกมันก็เห็นตัวเองอยู่ชัดเห็นกายเห็นใจเห็นความเป็นปกติเห็นความสงบระงับนะแล้วก็เห็นแล้วนะของความที่มันว่างจากความคิดการปรุงกันแต่งนะปกติความคิดปรากฏขึ้นมานะี่ยเรามักจะหลงเพลิดไปหรือว่าตาดูมันก็คิดต่อหูฟังก็คิดต่อจมูกได้กลิ่นก็คิดต่อ ลิบลิบลดก็คิดต่อแล้วส่วนใหญ่เป็นคิดแบบไม่มีปัญญาข้อมูลมันผิดไปมันตีความแบบไม่ถูกต้องมันคิดแต่คิดไม่ถูกก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิพอมันเกิดขึ้นมามันเห็นเห็นไม่ถูกมันก็ได้คําตอบที่ไม่ถูกกลายเป็นทุกต่อไปมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่หมายถึงว่าไว้ข้างหลังมันไม่เดินผ่านไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะเป็นการเดินนะ เราเป็นการเดินผ่านสภาวะอาการต่างๆที่เราสภาพทำมาเนะีเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ผ่านด้วยปัญญาอย่างถูกต้องแตาเป็นทุกกายก็ผ่านในการเกี่ยวข้องแก้ไขป้อนคลายบรร เ, เทาแต่ในขณะที่เราฝึกอยู่เนะยเราดูอยู่เป็นภาวะที่ดูอยู่ดูไล่เห็นแล้วอาจจะไม่เข้าไปเป็นมีขันติมีตะบะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงทน นั่งทนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยใช้ขันติใช้ตะบะหรือบางทีก็ใช้ตัวปัญญาก็คือใช้การเคลื่อนการไหวแก้ทุกขนะ์อย่างเช่นการหายนา้ำก็เดินไปเป็นการเดินด้วยสติสติก็จะปกติไม่ใช่ว่าจะหายจนงดหงิดความงดหงิดพาไปมันต่างกันนะเข่าของน้ำเหมือนกันปวดมากๆอุจจะปะสัสาวะแล้วงดหงิดล้พาไปมันจะลุกลี้ลุกหลนดันที ปุบับปบับปบับแล้วจะรีบเปิดประตูปิดประตูโครมครามนะมันก็จะได้เห็นว่าอ๋อการสั่งถ้าสติปัญญามันสั่งมันก็เป็นอีกแบบ น, นึแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวงดหนิดตัวกิเลสมันสั่งมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งทันทีเลยไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความนุ่มนวลไม่มีปัญญามันทาแบบไม่มีปัญญามันก็จะสร้างปัญหาทันที เกิดการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นรับประทานอาหารเมื่อกั้บาียใช้ซ่อมดังก็แก๊กก็แก๊กลากรากากจานศีลของพระจึงกําหนดไว้ชัดเลยรับประทานอาหารให้มีศีลทําอย่างไรอย่างเงี้ยไม่กินดังจับจัไม่กินดังซุดซุดนะไม่ทํากระบุ้งแก้มให้ตุยไม่อาปากคอยท่าไม่กัดคําข้าวอย่างเงี้ยเมล็ดข้าวไม่ตกลงพื้นมันจึงกําหนดไว้เป็นศีล227ร้อยยข้อ เรียกว่าโภชนาปฏิสังยุต์เสกคียวัตรที่ต้องปฏิบัติกันกาหนดไว้เป็นกรอบของสังคมกติกาของสังคมถ้าใครล่วงละเมิดแสดงว่าผิดศีลอย่างนี้จะเป็นศีลสังคมแต่ว่าเรารู้สึกตัวนี่นเป็นศีลที่มันเป็นศีลรักษาเราไม่ใช่เรารักษาศีลแล้วมันไม่ใช่ศีลห้ศีลแปดศีลสิ 5, ส 8, ส 10, เป็นศีลมากมายเหลือเกินที่เราต้องเกี่ยวข้องกับกายวาจาแล้วก็จิตใจของเรานะจึงเป็นพระธรรมพระวินัยแล้วก็พระสูตร ถ้าเกี่ยวข้องทางวาจาเรียกวราพัสดุสุตตะถ้าเกี่ยวข้องทา ง, ทางด้านการกระทํากายเคลื่อนไหวเนี่ยเรียกว่าวิในถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตอันนี้เป็นอภิธรรมก็อยู่ในตู้พระไตรปิฎกทั้งหมดเลยแต่ว่าเราย่อมาเหลือแค่แเคลื่อนไหวรู้สึกตัวดูกายไปเห็นจิตที่มันคิดแล้วก็สั่งกายหรือว่าสติปัญญาที่มันสั่งกายให้เคลื่อนไหวไมันจะเห็นเลยสติปัญญาที่มันสั่ง คำพูดให้พูดออกมามันจะได้เห็นเลยแล้วก็ความคิดที่เราไม่ได้เจตนาคิดมันก็จะได้เห็นเลยหรือเจตนาคิดก็ตามนี่นะมันก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเห็นพลังของกายกําลังกายต้องเคลื่อนไหวทําดีทั้งวันจิตก็เหมือนกันมันเคลื่อนไหวทำคิดดีทั้งวันเหมือนกันนะื่อเคลื่อนไหวแล้วเราสามารถที่จะศึกษามันขณะที่เราทําหรือว่าปฏิบัติธรรมหรือว่า เออเรียกว่าภาวนาเราก็จะได้เห็นของจริงก็คืออาการที่กาลังเกิดขึ้นมาที่กายที่ใจของเราตามระดับขั้นตอนในนี้มีหมอที่บวชอยู่ท่านนึงเดี๋ยววันนี้จะขอให้พูดนิดหนึ่งเพราะมีกลุ่มของสาวสุกเยอะที่นั่งอยู่ที่นี่นหมอมาบวชก็เคยมาเข้าคอร์สแล้วก็ที่มาเข้าคอร์สว่าเดินหาวัดที่จะบวชเคยไปวัดนั้นวัดนี้วัดนูน้นเสร็จแล้ว มาเข้าคอร์สเสร็จมาที่นี่ก็เกิดศรัทธาก็มาขอบวชกันนี้ก็ได้อยู่ปฏิบัติอีกหลายวันกว่าจะได้บวชก็อยู่ไปจนตั้งได้บวชแล้วตอนนี้ก็ได้บวชเข้ามาแล้วก็เห็นตั้งใจปฏิบัติอยอะตั้งใจปฏิบัติมาเช้าเดินคู่กันก็บอกว่าผอมน้ำหนักมันลดลงไปทีนี้ ใช้ชีวิตยอย่างไรที่วัดป่าสุโกโตนะได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวเราใหญาติโยมฟังนี้นจะก่อศรัทธานะจะก่อศรัทธาความเชื่ออย่างโรงบันบัวใหญ่เนี่ยเขาให้มาเพราะว่าเป็นโครงการใช้วันวิสาขะพยาบาลใหม่ส่วนนึงออกมาตอนนี้หมอเดี๋ยวว่านั่งข้างหน้า น, นิดเหตุการณ์ยังไงถึงต้องมาบวชอยู่ตรงนี้อย่างมีเร็วๆเวนี้ยมีอยู่คนหนึ่งเข้าเข้าวัดเพราะว่าลูกของเขาเนี่ย จมน้ำเป็นข้าบดีกนหนึะที่แก้งข้อเนะะแล้วก็ไปเที่ยววันหยุดวันหยุดเธอไปเที่ยวเจอแล้วไปพักที่โรงแรมมาลูกเล่นน้ำมันนะพ่อไปตักอาหารกับแม่คราวนี้พอมาถึงเอาลูกหายหาลูกไม่เจอถามใครก็ไม่มีใครรู้ก็เอะใจว่าลูกของจมน้ำมาไปดูอาจมน้ำจริงๆสิบกว่านาทีแล้วเนยไม่หายใจแล้วก็ช่วยกันปัม๊ม ก็ยังไม่ฟื้นนะครั้นี้โชคดีมีหมอต่างประเทศแล้วก็ชำนาญทางด้านโรคสมองโดยเฉพาะเลยนะก็พามาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อะไรประจวบกิลิขันนั่นแหละหัวหินอะไรต่างเนี่ยเนะจอแล้วหมอฝรั่งก็บอกเลยต้องบล็อกสมองโดยการแช่น้ำแข็งโคนนะแช่แข็งมันปลา แล้วฉีดมาฟีนก็เป็นแลปะครองการเต้นของหัวใจหลังจากที่ไปโรงพยาบาลแล้วกเฟิร์นขึ้นไปประคองการเต้นหัวใจอ่อนนอแล้วส่งโรงพยาบาลจุฬาซึ่งเครื่องเครื่องเนี้ยนะเครื่องปลุกคนไข้นะเพิ่งสั่งมาได้ไม่กี่เดือนนี่ยแล้วเลยสามสามี่เดือนสามเดือนที่ผ่านมาเครื่องแรกของประเทศไทยเราฟังแล้วโอ้โอัศจรรย์ใจพ่อไอ้ฐานจิตบอกว่าถ้าลูกเฟิร์นนะจะบวชให้ให้ลูก เราก็เลยเห็นนู้คนมาวัดในบวชแก้บนก็มีบวชพระศรัทธาก็มีหลายหลายอย่างอย่างคุณหมอนี่ก็เชื่อว่ามีศรัทธาสูงด้วยเป็นยังไงนะถึงมั่นใจในการเจริบบวชที่นี่ฝึกหผดปฏิบัติจรรยาศีลฐานแบบแนวเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆเขฟังหน่อยบางที่เป็นการปลุกจิตให้คนมีศรัทธาเติบขึ้นมาบางทีก็เหมือนกับว่าทําให้ศรัทธาต่อยอดเป็นปัญญาได้พอมาฝึกสติก็จะต้องเห็นกายเคลื่อนไวหวเห็นใจที่มันคิดนึก คิดมากเท่าไหร่ก็คือออนแอร์เห็นด้วยไหมจิตนิ่งนิ่งว่างๆงรู้เป็นปกติเป็นพลังของจิตเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นใจรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจรู้สึกมีความสุขอยู่คนเดียวมีความสุขเราเคยมีวัตถุหน 3, ึ่งสองสาบุคคลหนึ่งสองสามแต่นี้อยู่คนเดียวอยู่ตัวเองอยู่กับกายกับใจตัวเองอยู่กับหน้าที่มีเยอะแยะหมดหน้าที่ทั้งวันนล้วเราก็มีความสุขไปด้วยการทํางานทางงานําการสนุกสนุกไม่เกี่ยวกับอิ่มไม่เกี่ยวกับอด ถามหมอหมอเนี่ยผมผอมไม่หลายกิโลนะตอนเนี้ยเมื่อก่อนอ้วนกว่า น, นี้นะเราก็เห็นปฏิบัติตั้งใจว่าอยู่แถวๆป่าแล้วๆนะอันเพรัะนั้นกับนิวันนะพูดตามสมควรแก่ทําแก่เวลาต่อไปกันิวันครับ กรับนมรสการพระอาจารย์สงสินพาอาจารย์พัฒนาชัยแล้วก็เพื่อนสะาธรรมิกทั้งหลายแม่ชีทุกท่านแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธามาปฏิบัติธรรมนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะเล่าสิ่งที่มันอยู่ในใจนิดนึงว่าทำไมผมถึงจะมาปฏิบัติธรรมจริงๆผมทำหน้าที่เป็นแพทย์เนี่ยมา ได้20ปีได้แล้วมั้งครับก็จริงๆในชีวิตแพทย์เนี่ยก็จะเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์มากมายแต่ว่ามันเป็นทุกข์ของคนอื่นนะครับคือก็จะเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นอยู่เป็นประจำทุกๆวันเนื่องจากผมเป็นหมอเด็กเนี่ยผมก็จะเห็นตั้งแต่การเกิดเลยว่าการเกิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์นะครับ คือเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะดีใจที่เห็นลูกเกิดออกมาเนี่ยแต่ก um. ันนี้เ <Credit> ด็กบางคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บเราจะเห็นน้ําตาของพ่อแม่ด้วยความดีอกดีใจนะครับที่เห็นลูกคลอดออกมาเนี่ยและในเด็กคนนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยมันเขาเกิดมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยอยู่ได้บางคนเนี่ยอยู่ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เสียชีพ คือน้ําตาแห่งความภาคภูมิใจของพ่อแม่ความเปื้อนปิติดีใจของพ่อแม่เนี่ยก็จะกลายเป็นน้ําตาแห่งความเศร้าโศกและทมใจนะฮะแล้วก็การดูแลเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่เล็กๆกเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยมีความลําบากยากเย็นขนาดไหนกว่าจะเลี้ยงเด็กแต่และคนให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยเวลาเด็กไม่สบายทีพ่อแม่ก็ต้องอดเหล่านอนลําบากลําบนในการดูแลเป็นห่วงเป็นกังวลไปหมดทุกอย่างอันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะครับ มันเป็นความทุกข์ที่แฝงมาอยู่ในรูปของความสุขคือเราจะดูว่ามันเป็นความสุขจริงนั่นแหละแต่ว่ากว่าจะเลี้ยงเด็กคนหนึงให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยพ่อแม่ต้องมีความผ่านความทุกข์มามากมายขนาดไหนแล้วความเอ่อความเจ็บความป่วยเนี่ยก็ทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์มากมายนะครับทีนี้ เอ่อความแก่ก็เหมือนกันเนี่ยผมก็เริ่มเห็นว่าคือจริงๆผมก็อายุพอสมควรแล้วก็เริ่มเห็นว่าสำคัญคนเราเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลานะมันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเราเริ่มเห็นคนที่เราเคยรู้จักในสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยเขายังเป็นหนุ่มเป็นแน่นยังเป็นสาวยังสวยยังหล่อยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงอยู่แต่เมื่อเราไปเห็นเขาตอนเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออ สำคัานี้มันไม่เที่ยงนะครับเราก็จะเห็นว่าโอ้จากเดิมที่เขาเคยสวยเคยหลอ่อเคยแข็งแรงเนี่ยตอนนี้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาเดินก็ง้ๆเงื่นๆนะฮะมีความลําบากในการเดินมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็คนหลายๆคนที่เขาเราเคยรู้จักสมัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยเขาก็สูญเสียชีวิตค่อยๆตายจากไปทีละคนสองคนอันนี้มันเป็นความทุกข์ที่เราเห็นในฐานะที่เราเราเป็นเพื่อนร่วมโลคด้วยกันนะครับ คราวนี้ในฐานะที่เป็นแพทย์เองเนี่ยก็จะเห็นคนที่เจ็บป่วยเข้ามาให้เราต้องรักษาอยู่เป็นประจำเราก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็การตายเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แต่อันนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องของคนอื่นนะครับจริงอยู่เนี่ยผมเคยทํางานเป็นหน้าที่เป็นแพทย์เนี่ยเราก็จะมีความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยแล้วเราก็เข้าใจเขาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจเขา แต่ว่าอันนั้นมันก็ไม่มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ลึกซึ้งเท่ากับเวลาที่เราเป็นผู้ป่วยเองเมื่อประมาณสักปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออจากเดิมที่เคยมีสุขภาพดีเนี่ยผมก็มีปัญหาเรื่องไซนัสอักเสบเลื้อรังประจำแล้วก็เออเป็นอยู่ทุกเดือนเป็นอยู่ทุกเดือนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะทำหน้าที่การงานได้ตามปกติแล้วก็ต้องผ่านการผ่าตัดมาสองรอบแล้วนะครับ หลังผ่าตัดแล้วอาการก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าทุกๆอย่างมันก็เสื่อมไปจากเคยการงานเยอะมีหน้าที่การงานดีนะครับคนไข้ยเยอะแยะมากมายเนี่ยเมื่อเราทํางานไม่ได้คนไข้มันก็หนีไปคนไข้ก็กห่างเหินไปไ อ, อเดิมสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนไข้เป็นหมอที่มีคนไขเ้เยอะพอสมควรก็ถือว่าทํางานหนัก อาจจะเป็นเพราะว่าการดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยทำได้ไม่ดีด้วยเราก็มีโครคภัยไข้เจ็บตามมาแล้วก็เราก็เริ่มเห็นว่าเวลาที่เราป่วยเนี่ยเราก็ทำงานตามปกติไม่ค่อยได้เราก็หยุดบ่อยพอหยุดบ่อยเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มหายไปจากเดิมด้ยหมอที่มีคำชมเชยแต่ละเดือนเนี่ยกลับมามากมายงานการเยอะมากมายมีไรายได้ดีนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโลกธรรมแที่เขาว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริง ว่าเราเห็นเลยว่าไอ้มี ม, มีมีลาบก็ก็เสื่อมราบมียศก็เริ่มเสื่อมยศมีคําสรรเสริญ จ, จากที่เคยได้คําสรรเสริญในแต่ละเดือนเนี่ยมากมายก็ก็กลายเป็นน้อยลงน้อยลงจนในที่สุดมันก็น้อยน้อยจนแทบจะไม่มีนะครับอันนี้เราก็เห็นแต่นี้เป็นเพียงแค่สิ่งนอกกายนั่นเองคันนี้มันก็มาประมาณเมื่อสักสองสองปีกับสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอาการมีอาการป่วยอย่างหนึ่งซึ่ง ซึงอธิบายไปก็อาจจะไม่มีใครรู้จักโลกนี้ดีนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นทุกข์กับมันถึงว่ามันไม่ใช่เป็นโลกไร้แหลงก็ตามแต่ว่ามันทําให้เราเกิดเป็นทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากเหมือนกระจมอยู่ความคิดของตัวเองเนี่ยเวลาที่เราป่วยขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะชื่นชมในความความที่เป็นคนคิดเยอะเนี่ยเพราะว่าเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ดีมีอะไรดีๆออกมาเป็น ความคิดดีๆไอเดียบันเจิดออกมามากมายจากความคิดของเราเนี่ยแต่พอเราป่วยเนี่ยอความคิดของเรามันก็จะจมอยู่ในนั้นนะอยู่ในความทุกข์เหมือนกับเป็นวงวง ว, วงอวงรอบมันก็คือเราจะจะมอยู่ในความทุกข์เราก็จะออกจากความทุกข์ไม่ได้นะฮะเราก็รู้เลยว่าโอท้ทุกสิ่งทุวอย่างนี่มันมันเวลามันทุกเนี่ยเวลาที่เราเห็นคนไข้เขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราเป็น ตกอยู่ในสภาพที่เป็นคนไข้เองแล้วก็รู้ว่าโอ้มันทุกข์ขนาดนี้นี่เองเนาะเราก็เข้าใจในความเป็นอยู่ของเขาเพาอ๋อเวลาที่เขาทุกข์เนี่ยเวลาที่เขาอธิบายให้ใหเราก็ฟังเราฟังเนี่ว่าเขาเป็นทุกข์เพราะว่าโครคภัยไข้เจ็บ ข, ของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองเราจะเข้าใจจ่มแจ้งเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะครับคันนี้อาการป่วยของผมก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ถือว่าอาการป่วยก็ดีขึ้นมากแล้วคันนี้เออเรานองจากเราเห็นความทุกข์ที่ผ่านมาเนี่ย แล้วเราก็รู้ว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงอะไรนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยในอนาคตเราจะต้องเจอความทุกข์ซึ่งหนักหนากว่านี้แล้วก็จะโหมกระหน่าเข้ามาใส่เราตั้งแต่เรื่องของตัวเราเองก็คือการแก่การเจ็บแล้วก็การตายแล้วก็การพัดพากจากสิ่งที่เราเป็นของรักของเราคนที่เรารักพ่อแมออ่พี่น้อง ญาติเพื่อนฝูงเนี่ยที่จะต้องเสียชีวิตจะต้องจากเราไปทีละคนสองคนจนในที่สุดเนี่ยก็คือเรามาคนเดียวเราก็ไปคนเดียวนะฮะเราก็ต้องอยู่อยู่ให้ได้ด้วยตัวของเราเองเราจะต้องมีความเขีงแข็งเราจะต้องต่อสู้ต่ อ, ต, อต่อไปในอนาคตของเราเนี่ยเราก็ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออผมควรจะต้องหาสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้จิตใจเนี่ยรู้สึกวางเฉยกับมันได้ไม่ไม่ยินดียินร้ายต่อความสุขหรือความทุกข์ที่เข้ามา ก็เลยพยายามหาที่ที่ปฏิบัติธรรมนะครับเอ่อต้องต้องบอกให้ทางทุกท่านทราบก็คือว่าผมเนี่ยไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเลยนะครับอาจจะเคยอ่านหนังสือธรรมะอาจจะอ่านจากหนังสือหรือก็การฟังซีดีธรรมะ บ, บ้าง ก็ไม่นานนักเท่าไหร่ก็คือพอจะพอเข้าใจ เ, เรื่องของธรรมะมาบ้างแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนแล้วก็ที่มาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนที่เป็นกาลยานมิตรเนี่ยแนะนํามาว่าอลองมาปฏิบัติที่นี่ดิผมก็เลยตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมเมื่อประมาณต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาก็เข้าคอร์สเหมือนกับพวกท่านทุกท่านครับก็ประมาณ 7, เจ็ดวันสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมัน มันเปลี่ยนเราอย่างมากคือจากอะไรที่เราไม่เคยรู้อะไรเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มรู้ว่า เ, เรามีสติตอนที่เรามีสติมีสัมผัสัญญะอยู่กับตัวเนี่ยมีความคิดเกิดขึ้นฟุ้งซ่านมากมายแล้วเราจะดึงตัวเองให้กลับมีสติสัมผัสัญญาได้อย่างไรทุกท่านที่ลงปฏิบัติธรรมก็จะรู้ว่าเวลาที่เรามีสติขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยความคิดมันก็จะดับไป ความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปถ้าเรามีสติเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายมันก็จะดับไปเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปแล้วก็จะเห็นว่าเออมันจริงๆแล้วมันเป็นของที่ไม่เที่ยงนะฮะเป็นอนิจจังคือมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายมันก็จะดับตัดับไปครั้นี้ก็คือขอเราประสบการณ์นิดหนึ่ง ผมปฏิบัติปฏิบัติเจ็ดวันเหมือนกับพวกท่านเนี่ยนะครับแล้วก็มันได้อะไรกับตัวเองขึ้นมาบ้างนะครับคือคือวันแรกวันที่สองเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรอกไม่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเราไม่รู้ว่าสิ่งสิ่งสิ่งอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างจากการปฏิบัติแต่ว่า เออก่อนปฏิบัติมีความตั้งใจแน่แน่มากว่าเราตั้งใจมาเพื่อจะปฏิบัติธรรมเราตั้งใจแน่แนที่จะทำหมัน่นแล้วเราก็ตั้งใจปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ได้แนะนามาก็คือเดินจงกรมก็คือเดินเดินด้วยสติเดินด้วยความรู้สึกตัวตลอดเมื่อมีความคิดอะไรขึ้นมาก็พยายาม รู้ทันความคิดพอเรารู้ทันความคิดเนี่ยความคิดที่ว่ามันก็จะดับไปเราก็จะเห็นว่ามีความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งที่มันประหลาดใจผมก็คือว่าตอนที่กําลังเดินจงกรมอยู่เนี่ยมีความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยเราผมก็มองไปที่ใบมะม่วงเนี่ยแล้วอยู่ดีมันก็นิ่งขึ้นมาเลยอาการอาการความคิดเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันก็จะเริ่ม จิตเราจะเริ่มสงบแล้วเริ่มนิ่งนิ่งขึ้นทีล ะ, น, ะ, น, ะ, น, ะ น, นิดทีละนิดทีละนิดนิ่งมากขึ้นมาก ข, ขึ้นเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเราเป็นสุขกับมันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งเป็นความรู้สึกที่มันมันประหลาดมันมันประหลาดมากซึ่งผมไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนแล้วผมก็รู้กับตัวเองแล้วว่าอ๋อเวลาที่จิตมันสงบเวลาที่จิตมันว่างจริงๆเน <projector |lo|> ี่ยมันมีความสุขอย่างนี้นี่เองแล้วพอวันผ่านไปถัดไปเนี่ย ขณะที่ผมกําลังปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเนี่ยมันมีอาการปวดหลังมากปวดเมื่อยมากมีอาการง่วงนอนมากมีอาการยืขาเหมือนไม่มีไม่มีแรงเนี่ยจะยกก็ยกไม่ไหวเดินก็เดินก็จแทบจะไม่ไหวเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามอย่างที่พายจันแนะนําก็คือว่าเราก็เดินให้มันเร็วขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นจากที่เดินช้าๆเฉื่อยๆเนี่ยมันก็จะม่วงจะหลับอยู่แล้ะก็เดินให้กระกระฉับกระเฉงมากขึ้นเดินเดินให้มันกระฉับกระเฉงมากขึ้นแล้วก็เดิน ถอยหลังด้วยการเดินถอยหลังเนี่เป็นถือว่าเป็นการเจริญสติที่ดีมากเลยเพราะว่าเราจะมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราเดินอยู่บนแท่นจงกรมเนี่ยเผือไปคิดอะไรนิดเดียวเราเดินตกแท่นถอยหลังตกแท่นแท่นจงกรมได้เลยมันก็ไม่น่าเชื่อว่าไอ้ ก, การเดินจงกรมเนี่ยแล้วเราเดินด้วยอาการกระฉับกระเฉงเนี่ยไอ้ความง่วงนอนมันก็หายไปได้ เราก็สามารถจะผ่านนั้นมีได้เราก็ผมก็เริ่มรู้สึกเออมันหายไปได้นะอความม่วงม่วงเหงาเหาน อ, นอนทั้งหลายมันก็หายไปได้แล้เราก็เริ่มรู้สึกว่าจากเดินที่เราฟุ้งซ่านคิดไปนู่นคิดไปนีคไปไน่คิดไปอะไรไปมากมายเนี่ยเราก็เริ่มนิ่งอ่ะมันนิ่งมากขึ้นมากขึ้นความนิ่งค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็เปลี่ยนจากการเดินจงกรมมานั่งสร้างจังหวัดสิบี่จังหวัดนะครัแล้วก็มองไปไกลๆทำใจสบายๆแล้วก็มองไปเนี่ย ความนิ่งมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นเงาตามทัวมากขึ้นเป็นลำดับลําดับแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้จิต k, มันมันสงบมากเลยมันนิ่งแล้วมันสงบมากเลยแล้วก็เราเราเราเคยอ่านหนังสือมาว่าเออไอความปิติแล้วก็สุขเนี่ยมันเป็นยังเ ค, คอยอ่านเจอว่าว่ามันมีแล้วมันก็เกิดขึ้นกับเราเองว่าโอ้เรารู้สึกว่ า, วามันคนลุกสู้ไปหมดแล้วก็มีปิติมีสุขขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้ไอที่เขาว่าปิติกับสุขเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะ มันเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้นี่เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมนึกถึงเอบทสวดมนต์ที่เราสวดกันทุกๆวันเลยว่าเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ได้ด้วยตันเองท่านเองใครมาบอกอะไรเราเนี่ยเราจะไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนกับที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออมันใช่นะธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ได้ด้วยตัวเองพอเรารู้แล้วเนี่ย มันปฏิบัติได้อะอย่างที่ว่าก็คือปฏิบัติได้และให้ผลไม่จํากัดการใช่คือมันต้องทําด้วยตัวเองมันถึงจะรู้พอมันรู้แล้วมันก็จะบอกว่าอ๋อใช่มันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และไม่จํากัดการจริงๆแล้วก็พอมันเกิดขึ้นมามันก็มีความคิดดีๆอย่างที่บอกก็คือว่าเราอยากจะกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดมันใช่ที่เราสวดกันอยู่ทุกๆวันทุกชุกเช้าเนี่ยทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยมันใช่เลยแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ผู้รู้จะตู้รู้ได้เฉพาะตนเองเท่านั้นเองคือมันมันเกิดสิ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับผมแล้วมันผมก็รู้สึกว่าเออมันใช่เวลาที่เราจิตมันสงบเวลาที่เราเราสงบเรานิ่งมันมีช่วงที่ปัสแจกความคิดไปเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นสุขมากเลยมันอยู่กับตอยู่กับรู้จักตัวเองอ่ะรู้รู้ว่าโออมันมันมันเป็นสุขมากเลยผมก็คิดว่าโอ้มันใช่แล้วมันก็ทําให้ทําให้ลผมมันมีความรู้สึกว่า ผมก้าวถอยหลังไปไม่ได้ฮะผมจะต้องก้าวหน้าต่อไปเพราะว่าผมตระหนักว่าด้วยการปฏิภติธรรมนี่แหละมันจะทำให้เรารู้จักไม่รู้จักที่จะวางเฉยกับมันรู้จักที่จะไม่ยินดียินร้ายกับความทุกข์กับความสุขแล้วมันจะทำให้เราผ่านตรงนี้ไปได้แล้วจะทำให้เราเนี่ย สามารถจะมีหลักธรรมในใจเพื่อเป็นเครื่องป้องกันคุ้มครองจิตใจของเราเนี่ยให้ผ่านเรื่องความสุขความทุกข์อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยคือจริงๆเนี่ยที่เราว่าเป็นความสุขทั้งหลายที่เราเข้ามาที่ผ่านเข้ามาในใจจริงๆแล้วมันก็คือความทุกข์ทั้งนั้นแหละสุขมันจะอยู่กับเราก็ไม่ได้ใช่อยู่ด้วยกันตลอดไปมันก็มาชั่วคราวแล้วมันก็หายไปแล้วความทุกข์มันก็กล่าว ม, มาคือสิ่งที่เรา เราเคยยึดถือยึดมั่นถือมันว่าเป็นของเราเป็นของรักของเราเป็นคนของเราเป็นพ่อแม่ของเราเป็นญาติพี่น้องของเราเป็นเพื่อนของเราเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องในที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องเราจะต้องพัดพลากจากคนเหล่านี้ไปเราจะต้องพัดพลากจากของรักของห่วงไปเราจะต้องพัดพลากจากสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขไปความสุขมันก็จะอยู่กับเราไม่ไม่นานมันก็จะต้องหายไป และในที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงของความทุกข์ซึ่งมันจะผ่านเข้ามาหาเราทั้งในเรื่องของการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักหรือแม้กระทั่งการไม่ได้ในสิ่งที่เรารักหรื อ, อประสบกับสิ่งที่เราไม่รักเราโกรธเรากรเรากลียดใครเรามโมโหใครเราอิจฉาใคร เราริษยาใครหรือเราคับแค้นใจยังไงเราแท้นเครืองอะไรใจยังไงเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละซึ่งถ้าเราเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยด้วยใจที่เป็นกลางรู้จั ก, กวางอุเบกขาไม่ยินดีรินร้ายกับเรื่องพวกเนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเป็นสุขแล้วเราเป็นเป็นสุขที่เขาเรียกว่านีลาไม่สุขก็คือสุขสุขจริงๆเป็นสุขไม่ใช่สุขทางโลก เป็นสุขที่ไม่ไม่มีสิ่งภายนอกเนี่ยมามาเป็นไม่มีเรื่องของการมราคะไม่มีเรื่องของเกลียดเกลียดตันหานี่ยมาเป็นเครื่องทําให้เราเกิดสุขมันเป็นสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจเนี่ยและอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจะผ่านพ้นจุดนี้ไปได้ซึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นวิธีทางที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆนะครับก็ ขอเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองมีให้ทางพวกท่านฟังสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับอย่าเพียนการันตีละถือว่าใช้ได้อออรยอับรองก็เนีเ่ยนะอยาให้ฟังว่าคนปฏิวัติธรรมแล้วก็มองว่าเป็นเรื่อง ลึกลับเป็นเรื่องทำไม่ได้เป็นเรื่องทำแล้วก็หลอกลวงกันนะไปมองกันอย่างนั้นจริงๆเป็นเรื่องที่ใครทำก็ได้เนะาะแต่ทาพอเราปฏิบัติเราก็ใหญ่นะพระเจ้าไม่ได้หลอกหลงปู่เทียนไม่ได้ผูหกหลวงพ่อมเขียนก็พาธทำอยู่แล้วฟังประเด็นให้ดีๆประเดี๋ยวจะฉายพระพุทธเจ้าออกนามาเกินนี่ฟ้าลงไช่ไหม คำฟ้าลงไปถึงฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกลงมาลมแรงกันเจงาเราก็เลยต่างคนต่างไปกันเมือนประเดีว่าจะเริ่มต้นใหม่พอดีเมื่อเช้ามีบางคนบางท่านก็บอกโอ้ oh, มันเหมือนจริงมากเลยอ่ะผู้สรัทธาเรียนจากพุทธประวัติได้ยินได้ฟังพอเปนได้ดูในหนังเหมือนจริงอ่ะก็เน้นหนังวรั่งเขาก็พยายามทําให้มันสมจริงอยู่แล้วน แค่นี้เราก็ลองดูว่าเออมันจริงในหนังมันจริงในเรื่องของ 2,000 พันปีมันจะจริงยังไงในตัวเราอเงี้ยนะเราได้เป็นที่เพึ่งของเรเงได้แล้วอาตาเีนนนาโถความรู้สึกตัวจึงเป็นเรื่องเราต้องทำความรู้จักมันให้ชัดเาล ว, วันนี้เหาสมคัญเวลาอากาบว่าพร้อมกัน